สเมือม่อประมาณสิบปีก่อนได้มีคนกลุ่มหนึ่งได้ไปเที่ยวยังกเกาะเสม็ดในช่วงพักสุดสัปดาห์แล้วก็ได้ฟังเรื่องผีและเรื่องสยองจากคนในพื้นที่นั้นมาบ้างพอสมควรก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ได้รับรู้กันบ้างและเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกก่อนว่า ไม่ได้คิดจะดีสเครดิตหรือทำลายการท่องเที่ยวใดๆบนเกาะแห่งนี้คิดเสียว่าเรามาฟังกันเพลินๆสนุกๆเท่านั้นก็แล้วกันเรื่องแรกที่ผมจะมาเล่าก็คืออ้าวลูกโยนที่พี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่บนเรือตกหมึกบอกว่าอ้าวลูกโยนเมื่อก่อนนั้นเป็นสุสานมีศพฝังบริเวณนี้เยอะมากแต่ตอนนี้พื้นที่แถวนั้นเลิกใช้เป็นสุสานแล้ว นอกจากนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับรือศีในเรื่องพระอภัยมณีพี่เจ้าหน้าที่คนเดิมก็บอกว่าพระลือศีจริงๆแล้วคือปู่ดำที่อยู่ตรงหน้าด่านแถวๆทางไปหาดสายแก้วแล้วยังมีเจ้าแม่ทัพทิมอีกสองแห่งบนเกาะเสม็ดและช่วงสงกรานต์จะมีงานประเพณีให้กับปู่ดำด้วยเวลาเราขึ้นเกาะมาก็ควรจะไปแวกกราบไหว้เพื่อสิริมงคล ถ้าใครที่เดินทางไปเสม็ดบ่อยๆจะต้องจำได้ว่าทางไปหาดวงเดือนที่จะต้องนั่งรถหรือขับมอเตอร์ไซค์ไปจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งที่มีสารพระภูมิอยู่เยอะมากแถวแถวนั้นจะมีป่าและต้นไม้เยอะมากก่อนที่จะถึงสารพระภูมินั้นมักจะมีคนเห็นหมาดาและคนยืนอยู่ตรงริมถนนบ่อยมากเมื่อไม่นานมานี้ ตรงจุดนั้นเคยมีฝรั่งขับรถตกข้างทางแล้วคอหักตายหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์ล้มอีกเขาบอกว่าเขาเห็นฝรั่งยืนมองอยู่ข้างทางจนเสียหลักทำให้รถล้มแต่โชคดีที่เขายังรอดมาได้ทางเข้าหาดวงเดือนถ้าสังเกตแล้วจะมีรีสอร์ทอยู่ 2-3 แห่งหนึ่งในรีสอร์ทบนทางเข้าหาด คนขับรถแท็กซี่บนเกาะได้เล่าให้ฟังว่าบริเวณทางแยกเข้ารีสอร์ทมักจะมีคนใส่ชุดขาวกางเกงดำหน้าซิดซีขาวๆมายืนโบกรถแต่แท็กซี่นั้นเขาได้ขับเลยไปแล้วจึงต้องถอยหลังกลับมาพอถอยไปถึงจุดเกิดเหตุก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยหนึ่งถึงสองเดือนต่อมาคนขับรถคนเดิมบนถนนเส้นทางเดิม แต่เขาได้ขับรถผ่านตรงจุดเกิดเหตุห่างจากจุดเดิมออกมาอีกหนึ่งถึงเมตรเขาเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆตอนนั้นเขาก็คิดถึงเรื่องที่เคยเจอเมื่อครั้งก่อนขณะที่กําลังคิดได้เพลินๆก็ได้ยินเสียงคนเรียกตอนแรกก็คิดว่าหูแววเลยไม่สนใจสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนทุบหลังคารถสองครั้งตอนนั้นเขาคิดเพียงแต่ว่า กิ่งไม้คงหล่นใส่หลังคารถก็เลยเอื้อมมือออกจากรถเพื่อที่จะไปหยิบกิ่งไม้ที่ตกอยู่บนหลังคาแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยพอขับไปได้สักพักก็มีเสียงบนหลังคารถอีกมันเป็นอย่างนี้สองถึงสามครั้งได้และมีเสียงเรียกรถของเขาอีกแต่หาที่มาของต้นต่อเสียงนั้นไม่ได้เขาขับต่อไปเรื่อยๆจนออกมาพ้นทางแยกเข้าหาดวงเดือน จากนั้นสิ่งแปลกประหลาดและความผิดปกติทุกอย่างก็หายไปกลับมาที่หาดวงเดือนและหาดแสงเทียนที่นี่ยังมีอีกเรื่องราวที่สยองมากคนขับรถแท็กซี่คนเดิมได้เล่าให้ฟังว่าบริเวณทางเข้าหาดแสงเทียนจะต้องผ่านถนนที่จะไปยังรีสอร์ทแห่งหนึ่งเมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้ไม่เกิน50เมตร จะเห็นผู้เพียรวางไว้อยู่บริเวณโคนต้นไม้ใหญ่เพราะตรงจุดนั้นเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งมาผูกคอตายวิญญาณเฮียนของเธอนั้นเป็นที่ร่ำลือมากทำไมจาเป็นเวลากลางคืนก็จะไม่มีใครกล้าผ่านตรงจุดนี้เพราะใครก็ตามที่ผ่านบริเวณนั้นในยามดึกก็มักจะเจอดีแทบทุกลายนี่คือจุดแรกจุดที่สอง จะอยู่บริเวณแยกที่จะตัดไปหาดแสงเทียนประมาณ100เมตรตรงจุดนี้ได้เคยมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวมาผูกคอตายเขาคนนี้ก็เฮี้ยนไม่แพ้กันมักจะมีคนพูดอยู่บ่อยๆว่าได้เห็นชายคนนี้เดินวนเวียนอยู่แถวๆบริเวณ น, นั้นและจุดที่ผูกคอตายนั้นก็อยู่ตรงบริเวณด้านหลังของรีสอร์ทพอดีจุดที่สาม ถ้าหากใครที่เคยพักแถวแถวหาดแสงเทียนหรือบริเวณแถวแถวนั้นหลังจากไปเที่ยวที่หาดวงเดือนแล้วต้องเดินกลับที่พักบริเวณทางด้านซ้ายจะมีจุดที่มีคนแขวนคอตายจุดหนึ่งซึ่งเท่ากับว่าในบริเวณนั้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหาดวงเดือนกับหาดแสงเทียนมีคนผูกคอตายถึงสศพและพื้นที่ที่ทั้งสมเสียชีวิตนั้นอยู่ห่างกันไม่เกิน200เมตร นอกนั้นที่เกาะนี้ก็จะมีคนเจอเรื่องประหลาดต่างๆไม่ว่าจะเห็นวิญญาณบ้างหรือได้ยินเสียงบ้างแต่จุดเกิดเหตุที่มักจะมีคนพบเจอบ่อยที่สุดก็คือถนนช่วงหาดวงเดือนกับหาดแสงเทียนและหาดแสงเทียนกับหาดหวายคนขับรถส่วนใหญ่จะไม่ไปแถวๆนั้นเด็ดขาดส่วนตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่ได้ยินมานี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่เรื่องแบบนี้มันก็มีอยู่ทุกที่ทุกแห่งหนก็ถือว่าฟังกันเล่นๆสนุกๆฟังเอาเพลินก็พอหรือใครที่เคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับหาดเหล่านี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ที่ด้านล่างนะ สัมผัสสยอง